อาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็เป็นเพียเพ้ยนๆไปเหมือนกันพี่ชายท่านชื่ออาจารย์พรเขียนจดหมายมาบอกว่าให้เจ้ารักษาคุณบุญหมายถึงหลวงปู่บุญให้หายให้รักษาอาจารย์บุญให้หายอาจารย์บุญชินวังโสเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อทีนี้อาจารย์ใหญ่พี่ชายของท่านที่เลี้ยงดูหลวงพ่อมาก็เขียนจดหมายมาพร้อมกับให้คนนําอาจารย์บุญมาให้เจ้ารักษาอาจารย์บุญให้หาย